สมุทรคนตาบอดเรื่องเตรียมเสดียง ISBN 974-92673-9-7 หนา 124 หน้าอ่านอุบลวัชโรทัยางกูล จัด 9 กุมภา พ.ศ. 2548 ปกหน้าพื้น 5-6 ใบและด้านซ้าย มีความสูงเท่ากับปกหนังสือเป็นสีเขียวเข้มเงาดำมีตัวหนังสือสีขาวเขียนไว้ด้านบนว่ามีตัวนั้ังสีสีขาวเขียนไว้ด้านบนว่าคำตอบที่จะกลายเป็นแตรงกลางเล่มเขียนว่าเตรมเสียงไว้เลี้ยงตัวด้านล่างสุดมีเขียนคำว่าดั่งกลิ่น szam ISBN 974-92673-9-7 แปลงเสเบียงไว้พิมพ์ครั้งที่หนึ่งตัวเขียนธันวาคม พ.ศ. 2547 จัดพิมพ์และจัดจําหน่ายโดยสำนัก 1199 ตราคานปิยะวันถนนพหลโยธิน 0400 โทรศัพท์ 026197474 ในวงเล็บสำนักงาน 022473412-4 4 ในวงเล็บจัด 118 68 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 10700 โทรศัพท์ 02 433 1123 ราคา 80 บาทหนังสือ 2537 บรรณาธิการอำนวยการโรจนะประภา อนุสอนเทพบรรณาธิการเมธารักษาออกแบบปกและจัดทํารูปเล่มวิษณุฝอย แจกมักคิดกันว่าไกล เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวเสดียงไว้เลี้ยงตัว 2547 เขา เขาใช้โวหารพรรณนาอธิบายเปรียบเปยให้ หาเกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านดีหลังจากอ่านเกิดความเปลี่ยนแปลง